ใเขา้าพรรษามาก็เข้าอาทิตย์<ม>เป็นวันพระที่สามแล้วเนี่ยแต่วันพระที่ผ่านมาผมก็ตุก ต, ติดติดธุระอะไรก็ไม่ทราบไม่รู้หลายเรื่องหลายอย่างก็ไม่ได้ระชุมหมู่พวกเพื่อท่าไปเมื่อวันพระที่สองเห็นว่าว่างวันนี้ก็มนเรียกหมู่ประชุมการประชุม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 ก็ตามอัตยาศัยความเหมาะสมอันนี้พวกเราก็คงจะลักษณะอย่างที่ว่านี้แหละแต่ว่าเมื่อเข้าบทมาแล้วอันดับแรกก็ครูบาอาจารย์หรือพระผี่เลี้ยงจะแนะนำอย่างไรจึงจะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอันนี้คือพี่เลี้ยงต้องต้องให้ต้องแนะนำเพราะนั้นผมก็ให้พระที่เป็นพี่เลี้ยง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 เท่านั้นยังไม่เพียงพอพอดูกระดานแป๊บเดียวเอมันอาจจะมองไปที่อื่นอีกก็ได้แหลอต้องมาดูกระดานดูกระดานดูกระดานดูกระดานดูกระดานดูกระดานจนครูสอนเสร็จถ้าทําอย่างนั้นได้มันก็ดีแต่ถ้าหาว่าเพียงแต่นักเรียนตั้งใจเพียงคําเดียวแล้วก็ไม่เคยฝึกสมาธิเลย ไม่เคยนั่งสมาธิเลยอย่างนั้นก็จะเดินปัญญาโดยมากจะเป็นสัญญากระสังขารจะมากกว่าคือความปรุงแต่งมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้พูดทีเดียวว่าจะเป็นสัญญากระสังขารร้อยทั้งร้อยบอกไม่กล้าที่จะพูดอย่างนั้นมันต้องเป็นอุปนิสัยแต่ละบุคคลถ้าว่าเป็นบุคคลคิด ป, ปิญญาที่มีบุญวัดานสนาเก่าแก่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 แห่งการปฏิบัตินั้นจะเลิศเลอถึงผู้จะบอกว่าให้ตั้งใจเท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าว่าทำสมาธิซะก่อนก็ไม่เกิดประโยชน์เช่นเดียวกันเพราะมันยังห่างไกลที่จะตั้งตนเสียแล้วแต่ถึงยังไงก็ถาาว่าเขายังมีความเชื่อมีความเชื่อในตูบาอาจารย์มีความเชื่อมั่นใ น, ในพระธรรมคาสั่งสอนเป็นพื้นฐานอยู่ก็จะพยายาม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 จบแปลว่าเมื่อมีชีวิตอยู่ตั้งแต่เล็กจนเข้ากุก็เหมือนตัวละครออกมากระโดดเต้นแรงเต้นกามีหัวโกนเป็นเสนาเป็นพญาเป็นอะไรสุดแท้แต่เขาจะแต่งตั้งขึ้นอย่างพวกเราคนเดียวนี่ก็เป็นพระแบบพระลืษสีอยู่ในป่าตรงนั้นเถอะวิชาขึ้นผลในสุด ก, ก็เก็บ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 ในการเป็นอยู่นั้นอันนั้นเราต้องวางตัวให้ถูกการะเทศะบุคคลแต่ส่วนธรรมะส่วนลึกเข้าไปแล้ว ม, มันต้องเหมือนกันทั้งหมดเราต้องแยกให้ออกสมมุตมิพระสูตรพระปรมพาะวินัยพระวินยัยพระสูตรพระปรมัภิเราไม่เอาพระวินัยมาแย่งกับพระสูตร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 ใจของเราที่ยึดครองร่างกายน้นจะไปที่ไหนทีนี้เมื่อออกจากร่างไปแล้วมันก็เป็นนามะธรรมนามะธรรมตัวนี้แหละเป็นตัวที่ใหญ่มากพาไปกาอพบก่อชาติพาไปเกิดปฏิสนธิในสถานที่ต่างๆตาไวจิตดวงนั้นเป็นพระโสดากาะไปเกิดภพภูมิสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งยรทธเทพชั้นใดชั้นหนึ่ง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 ไฟต่ำไปทางกิเลสก็ควรจะฝืนสู้ในสิ่งที่มันไม่ดีไม่ควรจะทำในสิ่งเหล่านั้นพยายามเดินให้เป็นที่ยอมรับทั้งกฎหมายบ้านเมืองทั้งศีลและธรรมอันดีงาม ừ, การอยู่ร่วมกันชีวิตของเราก็จะได้รับความร่มเย็นผ้าสุข ừ, ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราทำ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 พอมามีบทบาทล็อกใจของพวกเรานั่นนะ่ะเหมือนกับดินประสิวน่ะออส่งลูกกุศลไปทางวันบาปกรรมมันเยอะมันก็ส่งไปได้ไกลถ้าบุญกุศลเออมา ก, กมันก็ส่งได้ไกลเหมือนกันเี่ถ้าวันเราบาปว่ากุศลมากนะมันก็ส่งนรกหลุมไหนหอะหลุมลึกที่สุดมันนั่นเถ อ, อืมมันส่งไปแต่ถ้าว่าเรา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 ท่านทำไม่ถูกต้องแปลว่าผิดเหตุและผลไม่ใช่ทำทำถูกต้องนั่นคืออะไรคำว่าถูกต้องนันคืออะไรคำว่าถูกต้องคือไม่ผิดพลาดคำว่าไม่ผิดพลาดนั่นคือเหมือนกับเราบวกลบคูณหารเราจะเปรียบเทียบเหมือนกับบวกเลขก็เหมือนกัน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 เป็นขั้นเป็นตอนเป็นพื้นเป็นฐานไปอย่างนั้นอันนี้คือธรรมคือความถูกต้องถึงจะ ก, กิเลสจะเบีย น, นเบนไปทางไหนก็ตามเอ็งไปทางไหนก็ตามออันนั้นคือกิเลสต่างหาคืออาธรรมไม่ใช่ธรรมถ้าธรรมแล้วถูกต้องอย่างนี้เพราะนั้นพวกเราทุกๆท่านอถึงจะพูดจะคิดจะทําอะไรก็ตาม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 งับเพชรนะมันถูกกลิ่นเลือดแต่มันเกิดกลืนเข้าไปในท้องพอกลืนเข้าไปในท้องทินพระเถระนั่งโอ้โหตายทําไงวะถ้าจะหาบอกว่าเพชรเม็ดนั้นนะ่ะนกกรเรียนกินนะอย่างเนี้ยนายช่างเขาก็จะต้องฆ่านกกรเรียนทันทีเพราะเพชรเม็ดนั้นราคามมหาศาลแล้วจะทํำยังไงท่านก็นึ้ไม่ออกเหมือนกันว่าจะทํำยังไงผลที่สุด ในช่างก็เขาก็เข้ามาล้างมือเสร็จแล้วเขาเข้าม า, า, ม า, าก็มาเอ้าพระคุณท่านเพชรเม็ดนี้ไปไหนท่านก็ไม่พูดเอา้าเพชรเม็ดนี้ไปไหนไม่พูดเอา้าท่านเอาแล้วเหรอเนี่ท่านเอาเพชรผมใช่ไหมท่านก็ไม่พูดผลที่สุดในช่างเพชรโวยวายขึ้นมาบอกพัญยาผลเนี่ยสมณะองค์นี่ละขโมยเพชรของเราไป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 ว่าท่านเป็นคนเอาฉันเชื่อท่านว่าท่านไม่เอาแน่ๆท่านนีนน้ฝ่ายผู้ชายไม่ยอมไม่ได้พระเอาแน่ๆไม่มีใครอยู่ที่นี่เราขอวางไว้ที่นี่จะไปไหนวะเพชรไม่ใช่มีขาเนี่ยวะผลที่สุดก็พัญยาพูดไม่ฟังพันยาห้ามยังไงก็ไม่ฟังบอกว่าเราเป็นยอมเป็นทาารับใช้พระยาไปเสนทั้งครอบครัวจะดีกว่าที่จะไปรังแกพระเีระองค์นี้ เขาไม่ยอมโผล่ในสู่คนสามีก็จับเอาเชือกมาเส้นหนึ่งมาก็ขันหัวพระอะไรอย่งั้นเถอะจับขันแบบขันสนอเนน่ะพอใส่เข้าไปก็เอาไม้สอดเข้าไปข้างหนึ่งหมุนหมุนแบบขันสนอแบบช่างทาสีเขาขันไม้ไผ่ขึ้นทาสีอย่างนั้นอ่ะออขันขันขันขันจะได้พระธีรากเอดสั่งควาไม่รู้จะทำยังไงข้างนอนให้ขันแล้ว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 ตีนเตะทั้งแรงแล้วางานใส่ปั้งนกกระเรียนนกกระเรียนกระเด็นถูกฝาเลยอ่าตายนกกระเรียนนกกระเรียนตายแะ้วไงเตะทั้งแรงพาเถระก็เลยบอกว่าเอ้ยยมเดี๋ยวเดี๋ยวเผาๆสักหน่อยเช้านกกระเรียนมันตายหรือยังอ่อันนั้นก็โมโหขึ้นมาอีกเฮ้ไม่ต้องดูนกกระเรียนเดี๋ยวมันจะตายเหมือนกันนั่นแหละกับนกกระเรียนยนั่นไ ม, ไ, มไม่ไม่เ๋ยวเดี๋ยวให้ดูสักก่อนว่านกกระเรียนตายหรือเปล่า ครทายๆอาซิว่เดี๋ยวาตมามีคําพูดอยู่โก้ mm hmm. ก็เลยพลายพายไปดูซิมนกกรเรียนตายหรือเปล่า mm hmm. เขาก็บอกโอ้ตายท่านก็เลยบอกความจริงเขามาบอกว่า mm hmm. นี่นะโยมโย ม, ยมไปทําอาหารน่ะมือเพื่อนเลือดแล้วไปรับเพชรจากคนที่มาส่งเพชรเพชรเม็ดนั้นเอาวางไว้ที่นั่นนกกระเรียนตัวนี้นะ่ะกินกินเพชรเม็ดนี้อแต่ถ้าหากว่าโยมนะ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 แต่นั่นท่านก็เลยไม่เข้าไปในหมู่บ้าน เ, เลยบินทบาทเลี้ยงชีพตามวัตภาพด้วยปีแข่งของท่านเองจากนั้นมาท่านก็ไม่นานก็ปรินิพานเพราะว่าการเจ็บบอบช้ำที่เอาเอ า, เอาสนอะเหล็กเอาเชือกขันศีรษะของท่านแต่นี้พระสงฆ์ทั้งหลายเมื่อท่านนิพานไปแล้วก็มีคนถามว่า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 ลูกของนายช่างแก้วพอพระเถระออกไปแล้วเขาก็คงจะตั้งคันมังงันตั้งคันมีลูกขึ้นมาเกิดนกกรเรียนตัมาเกิดมาเกิดเป็นลูกของนายช่างแก้วที่เตะตายนั่นน ะ, ะแล้คติของสี่คนสี่สี่อย่างไม่เหมือนกันไตคนละทิฏทางกันนั่นแหละส่วนพัญญาของนายช่างแก้วไปสู่สวรรค์เพราะเขามีเมตตามีศรัทธา